ج َ ع َ ل ن َ ا ع َ ل ى قُلُوبِهِم أ َ ك ِ ن ّ ت ً ا أ َ ي َ ق ْ ر ه ُ و ف ِ ي أ ذ َ ا ن ِ ه ِ م و َ ق ر ا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرآنِ و َ ج َ ه ُ و َ ل َّ ه عَلَى أ َ د ْ د بَارِهِ ا ل ن ُّ ف ُ و ر ا ب م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م และเราอุทิศต ل วเอ ه ให้กับพระเจ้ أ จากความ ن ั ا วร้ายของตัวเราเองและจากสิ่งที่เราทำผิดพระเจ้าทรงให้ความชัดเ ل นแก่เรา ن ละไม่ทำให้เราส ه บสนและไม่ทำให้เราหลงทา و َบกันมَตุว إ บกَนห ك َ ا ل าไ ي ้เ و ยคั ل นุชูร์อัลลอฮุมะอัลลอฮ์มั่งอัล إ อฮ์ม ا أ งอัลَอَ์มั่งอัลลอَ์َั่งอัลลอฮ์َัَงَัลลอَ์มั่งอัลลอَ و َ و ั่งอัลลَฮ์มั่งอัลลอฮ์ُัُงอัลลอฮ์มั่งอัลลอฮ์มั่งอَลَอฮ์มั่งอัลลอฮ์มั่งอัลลอฮ์มั่งอัลลอฮ์มั่งอัลลอฮ์มั่งอัลลอฮ์ม S a ah uh. s s a r a h m a h i w a r t u h ทีน้องที่รวมนมาสกากครับก่อนอื่นเราต้องขอบคุณ Allah ชตตอที่ a l ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ตื่นขึ้นมาจะให้ชีวิตของเราเนี่ยกระปรีก้กระเป๋า คำว่ากระเป๋าในภาษาหัดิก็คือนาชาปะชาช่าปะกระเป๋าไม่ถูกใช้ตอนคลุมให้ปฏิบัติสามรายการไม่ให้เป็นคนขี้เกียจต้องปฏิบัติสามรายการเช้านั้นหรือเช้า ว, วันนี้ จะมีชีวิตที่กระชับกระเฉงกระปรี้กระเป๋าช้ยตอนไม่คลุมก็คือเวลาตื่นนอนขึ้นมาเมื่อคืนเนี่ยช้ยตอนเนี่ยนะมันเป่าไปผูกปมช้ยตอนมันผูกปมเนี่ยสามปมด้วยกันนี่เป็นฮัดี้ขอยอมามุสลิมผูกปมสามปมนะมันบอกว่าไลาลุนเตวี กลางคืนยังมีอีกยาวฟ้ารุกุดนอนให้สบายนี่ภาษาชัยตอนอะไลลุนตาวีลกลางคืนยาวนอนให้อิ่มเมื่อตอนลรกขึ้นนรรมาแต่ตหันยุดไม่ต้องตื่นนอนเลยนี่ภาษาชัยตอนทั้งหมดแล้วก็มันก็อีขันธ์หนึ่ง ว, ว่ามันบาล่ะอะไูรุนิฮีมชีใส่หู ชีัยรูหูบ้าละฟีอู้ยูนิฮีชีใสรูหูชียังไงไม่รู้แต่ว่านอนสบายคนที่นอนสบายใช่ไมตื่นทุ่วันหกโมงเลยแม่คืนนี้นอนสบายจริงๆเลยขอบคุณทัลลพิษความจริงงาน น, นอนตอนตื่นตอนทีสามดีที่สุดแะ จะได้ตื่นมาแล้วก็ทำไรนะอ่ามาัคาราฟอัลลอฮ์ามาอ่านกูนานมาซิกุลลอฮ์ดีที่สุดทีนี้พอตื่นมอนตื่นนอนขึ้นมานะจะให้ปมแรกหลุดต้องอ่านดอาบนที่นอนดอาบนที่นอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัจฮียานาบาดามะอามะตานาวะอิไลฮินูชุดแปลว่าอะไร อัล hamdulillah ขอบคุณ Al Allah Allah ท die so ี่อภัยนที่ Allah ให้เราตื่นขึ้นมาบัดดมาอามาตาาหลังจากที่ Allah ให้เราตายไปการนอนหลับคือการการตายนะไวไล้หินนนชูและให้เราฟื้นขึ้นมาในโลกโลกอาสรอนเพราะอ่านดุอาบทนี้พับปมที่หนึ่งลุดยังเหลืออีกสองปมอีก ปมที่สองจะหลุดนี่ไปอาบน้ําน้ำมาศอาบน้ำน้ำมาศพออาบน้าน้ำมาศจบแล้วปมที่สองหลุดแล้วปมที่สามอะปมที่สามจะหลุดต้องมาน้ำมาศเอาลออาบานมาศสุนทรที่บ้านก่อนก่อนที่จะมามัสยิดน่ะอาบนมาศสุนหร ท, ที่บ้านสองระคัดดีที่สุดคือให้บ้านได้เราเเดรไดนะ้ได้รับปนหน้าได้รับบาริกะจากอัลลอฮฺสุลตานฮุบุตอาเล แล้วก็หะดิษท่านนาบีบอกว่าเช้าวันนั้นเนี่ยสุขภาพจิตดีมากเลยอาชากระปี้กระเปาอโลกระหั่มดุลิลดีมากครับนี่เป็นสุนทรของท่านนาบีเพราะฉะนั้นคนที่มี็นเป็นมีพ่อเป็นพอ่นพอเป็นแม่ต้องนึกถึงลูกลูกหลานแล้วนะเพราะฉะนั้นยอดตื่นคนเดียวพอไหมไม่พอก็ต้องบอกให้ลูกหลานได้ตื่น ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณแม่ก็ต้องบอก่าเป็นไดเรกเตอร์ใหญ่เลยเอา้อาวๆลูกๆทุกคนที่นอนอยู่นะทมดุลิลลาฮิลลออาบยานะบาดามาอามาตานะอิลายฮินนซูรไปๆๆเข้าห้องน้าไปอาบน้ำนำมาตมาสมาสุนัตก่อนลูกผู้ชายก็พากันมาที่มัสยิดมานมาตถึงจะความอะไรนะก็ไหวความ ที่เกียตเนี่ยมันไม่หมดไป้วถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ท, ที่ท่านนาบีพูดเอาไว้ต้องปฏิบัติสามข้อนี่ถึงวัานนั้นชีวิตจิตใจจะร่าเริงจากกระพี่กระเป๋านะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอสุ ข, ขานุวะตาลาที่อัลลอให้นบีมุฮัมมัดมานี่มาสอนเรื่องอย่างนี้แหละสอนเรื่องของเรานี่แหละน ะ, ะต่อมาวันนี้เรากาลังเรียน คุรานทบทวนคุรานสุร่รอราอิสลอาอายาที่สี่สิบสามอายาที่สี่สิบสองเนี่ยต้องการจะบอกว่าอิดัลลาบตะกาวอิลอาลชิสับีลาขอทวนนิดหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าพระเจ้าย e ่อยๆไม่มีอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยพระเจ้าไม่มีถ้ามีน่ะ อย่างที่มนุษย์บางกลุ่มหรือว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าพระเจ้าอื่นจะเอาล้อมีน่ะป่านนี้น่ะมันเรียกร้องกับอัลลอฮ์แล้วหรือไม่ก็ทะเลาะกับอัลลอฮ์แล้วป่านนี้ก็โต้แย้งกับอัลลอฮ์แล้วเพราะว่าเป็นรองมานานแล้วล่ะอยู่ในตําแหน่งรองย่อยๆมานานแล้วการต่อสร้างโลกดุนยาใบนี้มาทะเลาะกับอัลลอฮ์แล้ว แต่ท่านนายกฯก็บอกว่าท่บอกว่าถ้ามีนะอีสันลาบตะเกาอีลาลอารชิซาบีลาพระเจ้าย่อยๆเหล่านั้นคงได้แสวงหาหนทางถึงพระผู้ทรงครองแห่งบัลลังใช่ไหมถ้าพระเจ้ามันมีจริงพระเจ้าย่อยๆมีจริงนะอย่างที่พี่น้องเราบางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าย่อยมีจริงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตื่นจากเอาล้อจริงแล้วก็พวกเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องสแสวงหาทางเครื่อมยูมหาอํานาจแบบวันนี้วันนี้จะเลือกตั้งเนี่ยนี่หาอํานาจนะเนี่ยขึ้นไปครองนั่งอะไรนะผู้ว่ากรทมเนี่ยวันนี้นะอะไรมันนาจเนี่ยพอมีอํานาจก็ ม, จมีเงินพอมีอํานาจก็มีนู่นมีนี่เข้ามาคนไปอยู่นานๆแล้วมันก็อร่อยนะ ฉะนั้นในการปกครองโลกใบนี้ก็เหมือนกันถ้าหากพระเจ้าอื่นๆมีคู่กับอัลลอ์พระเจ้าย่อยๆเนี่ยจะต้องอะไรน ะ, สะแสวงหาทางถึงพระผู้ทรงครองแห่งบัลังคือถ้าอัลลอฮ์น่ะอยากจะขึ้นครองอยากจะมีอำนาจตัวที่เปเป็นยอเป็นรองมานานแล้ ว, ลวเป็นรองมานานแล้วอย่าขึ้นเป็นผู้ปกครองเองนี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟัง ฉนั้นอื่นจะอัลลอ์แล้วไม่มีแล้วพระเจ้าไม่มีมีแต่ลบคนเยวอาวันนี้มาดูอายะที่สี่สบสามสสบสาม s u b h a ต a h า wa taala a m o o a alu an kabiro s u l เนี่ยเราพูดอย่างงี้น่ะประจาใช่ไห อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลามาดูซิว่ามันแปลว่าอะไรคำแปลก็คือมหาบริสุดยิ่งแด่พระองค์สุบฮานาฮูมหาบริสุดยิ่งแด่พระองค์วาวตาลาอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงเห็นไหมเนี่ยเราเนี่ยพูดทุกวันอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลามีความหมายแปลว่าอะไร มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงทรงตาลาแปลว่าสูงทรงนะครับอัมมายากูลูลเนเหนือจากที่พวกเขากล่าวสุภานูวตาลานี่นะแปลว่ามาอัลลอฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงยิ่งอัมมายากูลุน เนือจากที่พวกเขากล่าวคือกล่าวว่ากล่าวใส่ร้ายอัลลอฮ์พี่น้องชาวอะไรนะชาวค ร, ริสนาโซโรเนี่ยกล่าวว่าอัลลอฮ์มีมีบุตรนะชื่ออะไรนะไอซาเห็น ไ, ไหมอัลลอฮ์ Allah มีบุตรเนี่ยพอพูดคํานี้ออกไปเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมีอายะ อื่นจากสุร้อนนี้จากอายานี้อธิบายบอกว่าฟ้าเกือบจะถล่มลงมาเพราะมันใส่คนที่พูดว่า Allah, me, อัลลอฮ์มีบุตรอัฟ้าคือจะถล่มและแผ่นดินเนี่ยเสือบจะแตกแยกเพราะอะไรนะเพราะภาษาที่ปฏิมนุษย์พูดว่าอัลลอฮ์มีบุตรอัลลอ์มีลูกคนอาหรับ คนอาหรับวันที่นบีมุฮัมมัดบอสอศาสนาใหม่ๆเนี่ยล่นบูชาพระเจ้าเป็นร้อยตอนนี้ฮินดูในอินเดียเนี่ยนะพวกอินเดียพวกอินเดียเนี่ยมีพระเจ้าตั้งสามล้านองค์รอรับผิดชอบแต่ละอย่างละอย่างละอย่างละอย่างองค์นี้ดูแลฝนองค์นี้ดูแลนั่นองค์นี้ดูแลนี่เนี่ยในอินเดียนี่ยเป็นนั้นพออยู่อินเดียนี่รอว่ากัน พระเจ้านี่เยอะไปหมดเลยพีน้องเท่าไรอาทีนี้เราเนี่พูดติดปากนะสุบฮานะฮูวะตาละอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาละต้องนึกความหมายด้วยสุบฮานะฮูแปลว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งวะตาละอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงทรงยิ่งอัมมายากูลูเนื้อจากที่ภูเขากล่าวใส่ร้ายพระองค์ อุลูวังกะบีรออัลลอฮ์สูงส่งยิ่งนักมาแปลว่าคนจากการตาําหนิอ่าอัลลอฮ์ไม่มีที่ตําหนิเลยถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนวันนี้ขณะนี้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่บนชั้นฟ้าแล้วก็ฟิสซามาแล้วก็อันดัรอาชีอยู่บนบันลังของอัลลอฮ์นี่เป็นความเชื่อของพวกชาวซาลับนะครับอาลิสุนนะวันจะมา عة, เชื่อแบบนี้ อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังก์ของอัลลอฮ์บัลลังก์อยู่ที่ไหนฟิสมาอยู่บนชานฝาแต่ความรู้ของพระองค์นั้น everywhere อยู่ทุกคนทุกแห่งหมดเลยโลกใบนี้อัลลอฮ์รู้หมดสมอย่างอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ได้ยินแล้วก็อัลลอฮ์มีสิ่ัตเท่าไหร่ก้าวศพระนามคือคนจะรู้จักอัลลอฮ์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ในสิ่งสามประการนะ ประการที่หนึ่งต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์นั่นเป็นรบเป็นรบเรากล่าวทุกวันอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลลาฮ์มีพอกาคำนี้ใจต้องนึกด้วยว่าอัลลอ์เป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาลคุมทั้งหมดข้อที่สองอัลลอ์เป็นอีละ Allah เป็นอิลลาอิลาความกาวว่าไงเป็นพระเจ้าแล้วกล่าวว่าไงลออิลล่าอิลลลอห์ล l l เป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจาก อ, อัลล h อง์เดียวประการที่สามลล l อมีคำเรียกว่าอัสมาอุลฮุสนามีพระนาม มีชื่อของพระองค์มีสิทัตของพระองค์ลักษณะเด่นๆเนี่ยมีทั้งหมดเก้าเก้าพระนามที่เราเรียนกันในโรงเรียนทั่วๆไปเนี่ยอัลลอ์มีทรารยี่สิบสิทธยี่สิบนี่ไม่ใช่ของอริสุนาวลวลจมาไม่ใช่โคชออิรอทารายยี่สิบแล้วก็ท่องกันเนี่ยนี่เรียนผิดสอนผิด แต่็นมีใครชุกคิดพอใครคิดนี่คณะนู่นคณะนี่ใส่ความลงไปเลยพระบงวารบีเยอะเยะไปหมดเสียหายหมดใช่ไหมคำชื่อสิทธิ์อัลลอฮ์อยู่ในคัภีร์คุรานอัสมาอุลลุสนาที่เราเคยเอารูปชื่อของอัลลอฮ์ใส่กรอบใช่ไหมล่ะอัลลอฮ์มีอยู่9ุ9พระนามเนี่ยอัล์มานรุฮีมบูลกอบเราไม่ให้รูปท่องไปท่องยี่สิบอันนันไม่ใช่มาจา คำสอนของท่านนาบีนะครับคนรุ่นหลังๆเนี่ยกำหนดขึ้นมาเหลือแค่ยี่สิบเองนะครับฉะนั้นสีฟัดของอลัลลอฮ์มีทั้งหมดเท่าไหร่นะ9กพระนามนะครับอลัลลอฮ์ทรงเห็นอลัลลอฮ์สมบูรณ์ยิ่งโดยไม่ต้องใช้สื่อเนี่ยเห็นนี่ไม่ต้องใช้สื่ออลัลลอฮ์นี่ทีวีวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่มันสื่อใช่ไหมใช่จะให้คนเห็นให้คนได้ยินตัฟซีดเนี่ยไม่ต้องใช้สื่อ แต่ของอัลลอ์ต้องใช่ไหมไม่ต้องใช้อัลลอ์ทรงเห็นได้ยินรู้โดยไม่ต้องใช้สื่อเลยใช่ ไ, ไมอย่างเราเนี่ยมองมัสยิดเนี่ยมองแค่ตรงนี้นะมองไม่เห็นแล้วแต่อัลลอ์มองเห็นอมองจะมองด้านไหนก็เห็นหมดนะ่ะนี่รถ้าเชื่อแบบนี้นี่นะทำให้เราไม่กล้าที่จะกระทำความผิดทีนี้คำว่าอิมานต่ออัลลอ์เนี่ยมันมี total หกข้อด้วยกัน อีมานมีหข้อนะสามข้อเนี่ยต้องเอาไว้ไหนใจเลยแปะไว้ในใจหนึ่งอีมานต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินประการที่สองอัลล์ให้มาลาอิก้ามาอยู่กับเราด้วยประการที่สอบมอกบกอดัดอะไรที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือกับโลกใบนี้เป็นไปตามกฎสภาวะที่อัลลอ์วางไว้ ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี่นะอีมานต่ออัลลอฮ์อีมาน ต, ต่อมาลาอิกะอีมานต่อกฎกรอกรดั้งของอัลลอฮ์เอาไว้ในใจเราตลอดเวลาเลยเนี่ยที่มานั่งอ่านตา่อสืบวันนี้เนี่ยแค่นี้วันนี้เนี่ยไม่ใช่ด้ความบังเอิญนะไม่มีอะไรบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกดุนยาแบบนี้ที่เราตื่นมาน้ามาได้วันนี้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วและอีกสามข้อเอาวางไว้ข้างหน้าเลย วักตูบีฮีฉันอีมานต่อคำพีทุกเล่มที่มาจากอัลลอ์แต่คุรานเนี่ยต้องอ่านต้องศึกษาหาความรู้อยู่ข้างหน้าเราวารูซูลีฮีเราอีมานต่อรอซูลหมายความว่าสุนนะของนบีมุฮัมมัดนั้นทำเล่นๆไม่ได้ต้องนาเอาสุนนะของนบีเนี่ยมาจำกับชีวิตในทุกๆเรื่อง จะนอนจะกินจะข้าวห้องน้ําจะออกจะห้องน้ําอัลลอฮ์จะออกจากบ้านจะขับรถมองคนดูคนคุยกับคนนึกถึงสุนนะของท่นานนบีมากํากับชีวิตนี่ไงอีมานต่อรอซูลของอัลลอฮ์วันเยาว์มิลอาเคสข้อที่หก إيمان ต่อวันอาเครอก็หมายความว่าคนอยู่ข้างหน้าเราจะดอ v เวลา m e นะ นั่งอ่านตับเสดวันนี้ตรงนี้เนี่ยใจต้องนึกว่าผลบุญต้องได้รับหลังตายด้วยจะทำอะไรก็ตามแต่ตรงนี้ผลบุญหลังตายถ้านึกอย่างนี้อัลลอ์อีมานหข้อเดี๋ยวเอามาใช้ได้ทุกวันเลยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอีมานหข้อเนี่นะตรงทีเราใช้ไม่ถูกเนี่ยขับรถไปไปเจออักเสบเลลืมกอดอกกอดลืม ดูมขับรถไม่เป็นเลยคนี้โอโ๋อารมณ์มาแล้วแต่ถ้านึกว่าเป็นกตกฏาสของเลามันก็โจบง่ายใช่ไหมทะเลาะกันอ่าชนกันอ่าขอนำ บ, บงนำบ่ายกันอะไรกันเป็นเพื่อนกันที่บางคนชนกันแทนที่จะเป็นเพื่อนกับทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะเราไม่นึกว่าเป็นกตกฏาสนึกว่าเองขับรถผิด ชั้นเครับรถถูกอ่ะทะเลาะกันด่ากันอย่างนี้เป็นต้นนั้นอมานหกข้อต้องเอามาใช้ทุกวันนะครับอตอมอายดที่สซบิุลฮุสมาวซบวล้รวามัมฟีหิน์ว่อิมินเชอินอิลลยซบิุบิัมด ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما رفرا تصبح له السماوات السبع والأرض تسبح له เนี่ยทุษแปลว่าสรรเสริญพระองค์ อะไรสารสานพระองค์สารเสริญพระองค์อัสมาวาตุสบะชันฟ้าทั้งเจ็ดชันฟ้าทั้งเจ็ดเนี่ยสารเสริญพระองค์อัลลอฮ์นี่เพิ่งรู้นะอยาย่นี้สอนเนีเรารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดนั้นสารเสริญพระองค์อยู่สารเสริญอัลลอฮ์อยู่อ่าแสดงว่าไม่ได้อยู่เฉยๆนะบนชันฟ้าเนี่นะ ชั้นฟ้าเจ็ดชั้นฟ้านั้นทําหน้าที่อะไรตุซั บ, บเบฮูลาหูซาสะเซแสโซสดุดีพระองค์แล้วก็วัลอารุและแผ่นดินมัได้บอกว่าชั้นทั้งเจ็ดชั้นนะเฉพาะชั้นฟ้าเนี่ยพูดว่าซาบอาสามาว่าชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเนี่ย มีประตูด้วยชันฟ้านะ่ะประตูตอนนี้มันเราเนี่ยมันนึกไม่ออกจินตนาการไม่ได้พอ น, นึกถึงประตูก็มองประตูบ้านเราอ๋อคนจะเป็นแบบนี้แประตูชันฟ้าไม่ใช่ประตูแบบไหนเราไม่รู้ใช่ไหมเหนือจินตนาการที่เราจะนึกได้วันที่นบีขึ้นมิอรอเนี่ยไปข้อประตูนะ่ะเราก็มีมล า, ายกาจิบรีนเนี่ยพาขึ้นไปอ่ะ ผ่านทีระชันละชันละชันละชันละชันที่อัลลอ์เล่าสรุปให้เราฟังว่าชั้นฟ้าทั้งเจ็ดนั้นและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดนั้นสรรเสริญอัลลอฮ์ س ب ح ا ละ تعالى วั in, อัรูและแผ่นดินเอิรทเป็นภาษาอังกฤษนี่เอิร์ทเอรทาอังกฤษเอาภาษาอับประไปใช้เอิร์ท เ, เอาร์ทแผ่นดินก็สรรเสริญอัลลอ์ะ ว่มาฟีหินและที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินก็จาสรรเสริญอัลลอฮฺราะห์านะวะวะตะละว่อินมิญชัยอินว่อิมมิชัยอินไม่มีอินแปลว่าไม่มีที่นี่นะไม่มีแม้จะสิ่งใดในลคุณต่ออัลลอสิ่งที่อยู่นะครับเนี่ยในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยไม่มีไม่ใช่มนุษย์นะ สิ่งอื่นอื่นที่เป็นวัตถุทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยไม่มีสิ่งใดในรคุณต่ออัลลอ์เลยอิลลัยูซาบิฮูละหูเว้นแต่มันสะดุกดีด้วยการสรรเสริญพระองค์นี่อัลลอ์เล่าไว้เราฟังเราเชื่อเชื่อตามอัลกุรอานว่าสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและชั้นฟ้าที่เป็นวัตถุทั้งหมดเนี่ยถามว่าสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้าง หนึ่งเนี่ยจินนาทพวกยินทั้งหลายสองมลาอิกัสเนี่ยชาติฟาทั้งหมดนะแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่นะพันพันพันเท่าไหร่เอาไปว่าสองพันล้านสรรเสริญพระองค์ไทยวานสัตว์แพะแกะวัวควายสรรเสริญพระองค์ยินยินนาทยินสรรสารพระองสรรเสริญพระองค์ ฟรีสต้ามาซาอูดูฟรีสตาตัวามาละอิกะสันระเสริญพระองค์หมดเลยอทีนี้ใครได้ยินอ่ะมีคนเคยเคยรู้บ้างไหมว่าชันฟ้านี่นะสันตเสริญอัลลอฮ์วันที่นบีขึ้นเมียรอดอ่านี่มีหะ ด, ดีตับซิดอิบนุกะซิดอธิบายนี่นะครับวันที่นบีขึ้นมียรอดเนี่ยนะครับนบีขึ้นเมียรอดเนี่ย นบีไปกับใครอ่ะท่านเจบริลพาท่านนบีขึ้นไปพอลงมาเนี่ยนบีก็เล่าว่าฉันได้ยินฉันฟ้าสันติสุรอัลลอฮสุบฮานาอูวาตาลานบีเล่าแค่นี้เองแต่ในการพิจุรณาอธิบายไงนะวะเลกิลลาตักกาวูนัตัสบีฮัฮุมแต่ว่าสูเจ้าไม่เข้าใจลาตักกู ไอล้ละตั้งพมูนแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่เข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายจะอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นน่ะสันนเสริญเนี่ยสันเสริญนยังไงน่ะไม่รู้มนุษย์ไม่เข้าใจแต่มนอยู่ไฮเดอสหนึ่งอธิบายอย่างนี้ท่านทั้งหลายอย่าฆ่าไอ้นั่นน่ะอย่าฆ่าแนละอย่าฆ่าสัตว์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ากบกระเขียด เขียดอย่าไปฆ่ามันนะเพราะอะไรเพราะเขียดนี่มันสรรเสริญอัลลอฮฺอยู่เห็นไหมอ้าวหรือกรกก็ได้ร้องอดอดออดละฝนตกเไหมลวเขียดก็เหมือนกันร้องแบบไหนเราไม่รู้นะครีนี้เขียดร้องไง <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นนะสัตว์นีสนน All สนน่สนรเสริญอัลลอฮสุบฮานูดายะัอย่าไปฆ่ามันทําให้จะเป็นเราอย่าอย่าอย่าอย่าไปฆ่าจะนี้เป็นต้นอัลลอฮฺอัก แล้วไก่เนี่ยเช่าเชาสังเกตว่าเนี่ยไก่อูเนี่ยมันสรรเสริญอัลลอฮ์ว่างี้อูสุกุรุโลไก่อูไทยแล้วนี่แหละจงไปรำลึกถึงอัลลอฮ์กันเถอะมันสรรเสริญแล้วมันปลุกคนนมาด้วยนบีบอกว่าอย่านะอย่าอะไรนะย่าดาไก่อ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ตัวผู้เนี่ยพอไก่ตัวผู้คนที่เลี้ยงไกนี่จะได้ยินว่าไก่เนี่ยมันจะขันวันกี่ครั้งอ่ะ ห้าหครั้งนะยื่งตอนตีสี่เนี่ยมันจะขันทีบปถึงน้นมาแต่ไรแต่หัดหยุดแม่จะนกก็เหมือนกันเจ็บเจ็บเจ็บมันจะตื่อตอนตีสี่นะไก่เนี่ยจะขันสม่ำเสมอนัน่นเป็นการตัสบีของอรรถทั้งหมดน่ะแต่เราไม่รู้ไงว่ากําลังทําอะไรอยู่กับทางสรรเสริญตอรรถอยู่หรือว่าทําอะไรอยู่เราไม่รู้เพออ่านกรุรอนานญาณนี้ปับเพิ่อรู้ว่า ตุั้ฟาทังเจ็ุวะนแผดินและผู้ที่อยู่ในนั้นสดุดีสรรเสริญอัลลแะอัลฮัมดุลิลลาฮรููรูวลาิลาักะูนะับฮุมแต่ไม่มีแม้จะสินใดเนรคุณต่ออัลลนะ ทุสิ่งทุกอย่างนั้นสรรเสริญต่ออัลลอฮ์หมดแต่ว่าสูรเจ้าไม่เข้าใจภาษาที่เขาสรรเสริญอัลลอฮ์สุภานาหัวตาละอัลลอฮฺอัลกุรอาิงใหญ่หมดเลยแต่กบเขียดเนี่ยเคยนบีเคยสั่งนะอย่าไปฆ่ามันเพราะมันสรรเสริญอัลลอฮ์อยู่อัลฮัมดุลิละอินนาหูกานะฮัลีมันกฟูรอ พระองค์เป็นผู้ทรงขันติฮาลิมแปลว่าอดทนนะกอฟูร้นแปลว่าผู้ทรงอาภัยถามว่าขันติเมื่อไรอดทนเมื่อไรตอนนี้อัลลอฮ์อดทนอยู่นะไม่ลงโทษคนที่ไม่เอ า, าศาสนาตอนนี้อัลลอฮ์อดทนอยู่อัลลอฮ์ทำลายมาแล้วอะในอดีตเนี่ย อา้าวทำลายฟาโรมาแล้วให้จมน้ําตายใช่หรือไม่ใช่มาใช่ตายคนเดียวนะวันนั้นอนะ่ะตายเป็นแสนอนะ่ะจมน้ําตายอา้าวพวกอะไรอีกเราทําลายมาหมดแล้วพวกอาร์ตสมูทลมพายุมาเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยตายเรียบหมดเลยพวกชว่วยพวกนี้โกงตะช่างพวกนี้นักฆ่านักขายแล้วก็เชื่อว่า ถ้าค้าขายต้องโกงตาช่างถ้าไม่โกงไม่รวยอัลลอฮ์เล่นงานเราหมดแล้วแล้ววันนี้เนี่ยอัลลอฮ์อะไรนะฮารีมอัลลอฮ์อดทนไม่เล่นงานคนที่ไม่เอาศ า, า, า, าสนาและเอาศาสนาแล้วไม่เอาสุนานะนบีอัลลอฮ์อดทนอยู่ในวันนี้นะอันนี้อธิบายอินนะฮูกานฮารีมันอัลลอฮ์ไปกวนที่อดทนกับคนที่ไม่เอาศาสนา เรายังไม่พออีกว่าฟูรอนอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอาภัยอาภัยอธิบายอย่างนี้อัลลอ์จะอาภัยโทษให้กับคนที่ทำผิดแล้วเต่าบ้าตัวต่วออัลลอ์ถ้าทำผิดอย่าตะกร บ, บุญอย่าเย่อหยิ่งจองหองว่าฉันแน่ด้วยอัลลอ์ไม่เห็นทําอะไรฉันเลยเนี่ยยังมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถต้องหลายคันมีลูกต้องหลายคน ลกชั้นกนะ็คือสุโย ต, ตออรอเลยดูสิอัลลอฮ์ได้นูน้นได้นี่เต็มไปหมดเลยคําตอบก็คืออินนากูการนาะฮารีมันอัลลอฮ์อดทนอัลลอฮ์สวบอัลลอฮ์อดท น, น, นไม่รีบลงโทษถ้ารีบลงโทษนะ่ะตายหมดแล้วโลกดุจยาไปนี่ไม่เหลืออะไรแล้วเพราะฉะนั้นที่อัลลอฮ์อดทน้อยไม่รีบลงโทษเพื่ออะไร เพื่อจะให้คนเหล่านั้นได้สำนึกตัวถ้าไม่สำนึกตัวก็เป็นการสะสมความชั่วสะสมบาปเอาไว้กับตัวของเขาเองฉะนั้นวันนี้เราเองก็เหมือนกันพออ่านทัยานี้ต้องนึกบาปที่เราทำไว้เนี่ยคู่กับ น, นามาตนามาก่อนนามาตบาปก่ําทำ <c oughs> ทำไงนบีเคยเตือนชายคนหนึ่งมีชายคนหนึ่งไปหาท่านนาบียาวสุดล ชายคนนี้นะมันน้ำมาดแล้วมันก็ทำบาปนาบีก็บอกว่าใจเย็นๆปล่อยไปเถอะเดี๋ยวไม่ช้าเลย่ยน้ำมาดมันจะยับย่งางตัวมันเองไม่ให้ทำให้เลิกทำความชั่วท่านให้น้นำมาดไปน้ำมันน้มานไปน้ำมาไ ป, าไ ป, าไปพะในคําภีกูอ่านแล้วยืนยันบอกว่าอินน ah ัสซาลาต์ตันฮะอันิลฟาชัยวลมุงกแท้จริงการน้ำมาดเนี่ยสามารถที่จะยับย่งคน ให้เลิกทำความชั่วและสิ่งไร้สาระได้ด้วยท่านให้ลูกติดฝากกนำมาให้มันติดที่บ้านทุกคนต้องนำมาให้มันติดเพราะนำมานั้นสามารถที่จะทำม น, นะเลิกให้ลูกเราเลิกทำความชั่วใช่ไหมอัลลอฮฺอัลกุรอนั่นเชื่อตามที่อัลลอฮฺสั่งอัลฮามุลิละและชายคนที่ออกมาฟ้องนบีเนี่ยนบีว่วาใจเย็น มาตั้งสองครั้งนบีว่าใจเย็นๆใจเย็นๆพอครั้งที่สา ม, มาบอก อ, อนบีมันเลิกแล้วมันเลิกแล้วนบีห้าฉันบอกเธอไงสัญญาของอนะัลลอฮ์น่ะมันเรื่องจริง <c oughs> อ่าไปนั้นนามาดจะขาดนะครับขาดนมาดไม่ได้อินชาอัลลอฮสุพาณาวาุฒานะข้ <c oughs> ายานนี้ต้องการจะบอกว่าแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยเกือบจะถลม่ม แล้วก็ชั้นฟ้าแทบจะพังแล้วก็ภูเขาแทบจะยุบกูอานอาย่านี้อายะอายะอนนื่นนะต่กลาดูสมาวะติยาตาฟต์ต์ตนะฟ้าเกือบจะพังทลายลงมาวัตันชักุลอาร์โและแผ่นดินเกือบจะถลม่มวัตคีรุลจิบาล่ฮัตเ ด, ด่และภูเขาเนี่ยเกือบจะยุบลงมาเพราะ มนุษย์เนี่ยพูดว่าอัลลอฮ์มีลูกอันดาวลิรราห์มานีวลาลดาใครว่า Allah อัลลอฮ์มีลูกอัลลอฮ์มีลูกสาวเป็นมาลาอิกะว่าแค่นี้นึกอย่างนี้สามสิ่งแผ่นดินเกือบจะเกือบจะอะไรนะเกือบจะขลมภูเขาเกือบจะยุบ อาสมาว่าชั้นฟ้าเกือบจะพังลงมาเพราะคําพูดของมนุษย์ที่ตำหนิว่าอัลลอฮ์มีลูกแต่ะะนั้นคําตอบก็คืออัลลอฮ์มีลูกไหมอัลลอฮ์ไม่มีคุณอ่านตรงไหนครับกุณฮอลลอลลอัอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์ทมารอัลลอฮ์เป็นที่ื่นลำยาลิ อัลลอฮ์ไม่มีลูกวะลัมยูลัะและอัลลอฮ์ไม่มีพ่ออัลลอฮ์ไม่ประสูตและไม่ถูกประสูตวะลัมยาคุลละหูกูฟูวันอะฮัดและไม่มีสิ่งใดๆในโลกนี้ที่จะเสมอเหมือนอัลลอฮ์สุบฮานะหูบาดะแล้วันที่นบีขึ้นมีอารอชมีฮะดีสบอกว่าท่านอัลลอฮ์บินกอตอันน้ารัสูลอลลอฮ์ไลละตะ อัลลอฮฺบิฮิอิลลัลมัส jidil อักซอนบีเนี่ยผูพยบมาถึงเดินทางในเวลากลางคืนจากมัส jid ฮารอมเนี่ยไปมัส jid อัลอักซอแล้วก็มีจีบรีนอยู่ทางขวาแล้วก็มีกาอินอยู่ทางซ้ายฟาตอรอฮัตบัลลกัสะมะอิซบพาหนบีขึ้นข้างบนไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดฟาลา ม, มาราจา เมื่อท่านนบีกลับมาจากขึ้นเมรอสเนี่ยนบีเล่าเองสมตุตัสบีฮันมตุตัสบีฮันฟิสมอิลลอลมะตัสบีฮินกะธีรินสับบะฮติมาวติลอลฉันได้ยินสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้านี่อันสูงส่งนั้นสรรเสริญอัลลสุาวะตาอลนบีไม่ได้อธิบายว่าพูดว่าอะไรใช่ไม อิบนุกนะซิดตัอิบนุกะซอธิบายอย่างนั้นเราก็ต้องเชื่อสรรพสิ่ง น, นั้นสนรรเสริญอัลลอฮแต่สรรเสริญด้วยภาษาอะไรว่ายังไงนบีไม่ได้อธิบายไว<ม>้ในฮัเดียเยมาบุคคลีออธิบายอีกอิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่าอันนากอลคุณนานัสมาอุสบีฮัตตอาอัวบุวยักลฉันเนี่ยเคยได้ยินอาหาร อยู่ในจานเราเนี่ยสรสรเสริญอัลลอ์ตอนที่มันถูกกินอัลล์อาหารสรรเสริญอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอือเนี่ยพออานังกีแล้วนะอิมานมันเพิ่มนะสรรอาหารสรรเสริญอัลลอ์สุบฮานาอูวาตาอัลที่สมท่านอบดุัดไดรายงานบอกว่าท่านอบดสอนบอกว่า อัคราฟียั ح ิฮิฮัสวยัดท่านนบีเนี่ยถืออะไรนะถืออะไรเป็ น, เ ป, นเป็นก้อนๆหินเป็นก้อนๆเล็กๆเนี่ยอยู่ในมือของท่านหลายก้อนอยู่ในมือท่านนบีถือหินนะก้อนเล็กๆฟาซาไมอาละ ن ุนนะทัศเ ي ห์กา ح านินเนินนั่งเละนบีได้ยินก้อนหินที่อยู่ในมือนบีเนี่ยร้อง เหมือนกับเสียงพึ่งเนี่ยมันดังอะไรนะดังหึมอยู่ในมือนบีหินสรรเสริญาารอัลลอ์ุาานูวตาอัลล์เนี่เรานี่นะไม่ค่อยเดนึกถึงอัลลอ์เท่าไหร่นะถ้าอ่านทพจะนึกอัลลออักาตนบีถือหินหินนั่นก็สรรเสริญอัลลอ์เสียงสรรเสริญนั่นเหมือนกับเสียงร้องของพึ่งอัลลอฮอักวและเช่นเดียวกัน ท่านอบูบักเนี่ยเคยถือหินเหมือนกันท่านไซนาอุมัตก็ถือหินเหมือนกันท่านไซนาอุสมานก็ถือหินเหมือนกันก็ได้ยินเสียงร้องของหินเหมือนกับเสียงร้องของตึ้งอย่างนี้เป็นต้นนี่ตับเซตอิบดุกเซตอธิบายอย่างนี้อัลลอฮุอะ ล, ลัยฮิวะซลลัลลอฮิวอะลัยฮิสซาห์ สุน nah ul ันของนาไซท่านอับด si ุลลบินอัมรินได้อธิบายว่านะฮรอสุล u ท่านนบีห้ามไม่ให้ฆ่านี่นะอันก็ติดเดฟดะดฟดแปลว่ากบหรือเขียด็ั่วากวานาีกหาเสียงร้องของกบหรือเขียดนั้นตัสบีหุนเป็นการสรรเสริญอัลลอฮฺ س ب ตา ไก่แน่นอนเป็ดนี่แน่นอนฉันเสียงของร้องของสัตว์นะ่นเป็นการตัีสินนะ Allah, อั بر, ลลอฮฺเราห้ามอยูออย่ดีเลยบางคนไก่ร้องเอาไม้ตีไก่ร้องทำไมฉันจะนอนน บ, บีห้ามร้องว่าจะมสารเสริจอัลลอฮสุฮาิอุลอาลัะแต่ลูกร้องไม่ใช่ลูกสรรเสร็จ Allah, ร อ, อัลลอฮฺปล่อยดูร้องร้องไปสารเสอัลลอนี่นึกเอง เขาห้าวเฉพาะเคียนไม่ไช่หรือดิ้นึกว่าลูกรองร้องลูกตาสบิลูกเรามาตกสุบฮานัลลอฮฺอัลฮัมดุ ล, ลิลลาฮฺลาอิลลาอิลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบาร์แปลว่ายัางนี้นะท่านกตา็ต่าได้รายงานบอกว่ามีชายคนหนึ่งอิดากอละละอิลลาอิลลอฮฺด้านใครที่กล่าวคำนี้ที่เป็นมนุษย์นะกล่าวว่าไงนะ ละอิละฮ์อิลลัลลอฮ์คำคำนี้นะ่ะเขาเรียกว่าการิมาตุลอิสลามเป็นถ้อยคําที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวเนี่ยคํานี้นะ่ะกล่าวเอยอะๆหน่อยดีไหมดีละอิละฮ์อิลลัลลอฮให้ลูกกล่าวด้วยละอิละฮ์อิลลัลลอฮอยู่ในครัวกล่าวได้ไหมได้นอกจะอยู่ในห้องน้ำเท่านั้นแหละที่ห้ามกล่าวอ่ะนอกนั้นน่ะกล่าวได้หมด ถ้าเรายุบัลมิ่งอัดินอาลันลใครที่ไม่กล่าวคานี้นะความดีที่เขาทำอัลลอฮ์ไม่รับเพราะ n ะนั้นต a องกล่าวเราต้องกล่าวอยู่แล้วใช่ไหมใ i ่เห็นไหมแล้คนอาจย์โอกล่าววันที่ห้าเที่ยวใช่ไหมเราก็ต้องกล่าวน้ำมาก็กล่าวอยู่แล้วเพราะนั้นคนไม่กล่าวคำนี้ที่เป็นมุสลิมความดีที่อัลลอที่เราทอลลรับ และอีกคำหนึ่งมืทั้งหมดสี่คำนะอัลฮัมดุลิลลอนี่แหละเป็นคํากาลิมาที่ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละอัลฮัมดุลิลลออัลลอฮ์เราน่ยพูดติดปากแต่เราเยี่มบางทีไม่รู้พูดคํานี้ได้อะไรเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละไม่มีคําอื่นคําที่ดีที่สุดสําหรับขอบคุณอัลลอฮ์ก็คืออัลฮัมดุลิลเลอ เวลากินอาหารเสร็จอัลฮัมดุลิลลา์เวลากำทำอะไรสำเร็จอัลฮัมดุลิลลา์ขับรถมาจอดปลอดภยัยอัลฮัมดุลิลลา์อัลลอฮอักบรอ่าต่อมาครับอัลลอฮอักบรนี่คำที่สามนะคาที่สามเนี่ยทำให้ชั้นฟ้านเนี่ยเต็มอัลลอฮอักบัรเรากาวอัลลอฮุอักบัร์ยิ่งใหญ่เหลือเกินพี่น้องนะและอีกคำหนึ่งสุบฮานอัลลอฮอัลลอฮุอักบร์ แลกคำหนึ่งลา حول ولا قوة إلَّا بالله الله أكبر อเมรบ้างลา إله إلا الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله ลา حول ولا قوة إ ل ا بال ห้าคำเนี่ยต้องออกจากปากเราตลอดเวลานะครับท่านสุภยานทร์ซอรี เคยเคยอธิบายแล้ว ว, ว่าซาลีไปว่าวัวนะท่านสุภยานเนี่ยเคยเข้ามาในมัสยิดวันหนึ่งพอเข้ามาแล้วมีเสียงว่าเองจะเป็นวัวได้ไงก็สงสัยว่าเอ๊ะมีเสียงจากฟ้าฟ้ามาตัมนีตัวเองว่าเป็นวัวแล้วหรือท่านก็นึกได้ว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้ามัสยิดเนีเท้าซ้ายนะเอาเท้าซ้ายเข้ามัสยิด ท่านก็เลยพักเงินมาบริจาคเป็นการทดแทนความชั่วที่ท่านเข้ามัสยิดด้วยเท้าใายนี่เป็นข้อเตือนใจเราก็ต้องนึกคนละเอียดเนี่ยอิสลามเนี่ยอัลลอฮฺสอนให้ละเอียดเนี่ยจะเข้ามัสยิดต้องเท้าเท้าขวาบางทีเราลืมพรานึกว่า บ, บ้านเราพี่นายบ้านอัลลอฮฺอย่ามองว่าสูเราเป็นบ้านเรานะไม่ใช่นะสู่เราเราอะเราสร้างเองใครบอก นั้นต้องเข้าตรงให้เกียรติยัติรอมเรสเพ็ Respect, บ้านของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวัตตาลาท่านซุบยานเซอรีได้พูดว่าคือเอามาจากท่านนาบีนาบีเล่านาบีสอนนะก็บอกอัปต์่ออมอยู่ซับเบียอาหารทุกชนิดเ น, นี่ยสรรเสริญอัลลอฮฺหมดเลยอัลลอฮฺอักุบะดอืมเอาต่อมาครับ อิน ahuca นะฮัลิมันกฟูโรอั i, ai, ah th ith, ah a l อ a h พูดทรงขันติพูดทรงอภัยอธิบายยังไงไอลายู่อัจจิลอัลลจะไม่รีบลงโทษคนที่ทำความผิดแต่อัลลอ์จะประวิงเวลาเอาไว้นะครับให้เขาได้ตอบ้าตัวต่ออัลลอ์ให้เขาเลิกทำความชั่วส่วนอัลลอ์จะอภัยโทษในหนฮะดษบุคคลนี้อธิบายว่าอินนัลลอฮลา يُملي للظالم حتى إذا أخذه ل ل ت อัลลอ์นี่นะประวิงเวลาเอาไว้นะถ้าอัลลอฮ์จะเอานะหนีไปไหนไม่รอดหนีไม่รอดนะนะเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์งอภัยโทษเนี่ยนะครับคนที่ทำชิริกเนี่ยอัลลอ์ไม่อภัยโทษให้แต่คนที่มีความผิดอื่นๆนอกจากชิริกนั้นอัลลอฮ์อภัยโทษให้นะครับแล้วก็คนที่จะจะรับการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ต้องผ่านการ ตาบะนี่เป็นคาอธิบายของอลมาตับเซนะครับอายที่สีสิบ้าครับว่าอี ذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستور อายนี้ต้องการจะบอกว่า คนที่ไม่เชื่อวันอาคิรออันกรุรอานไม่เข้าใจอีมานข้อที่หนะ้าเนี่ยว่าบิลเยาเมลอาคิดนะใครที่ในใจของเขาไม่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นขึ้นมาถูกคิดบัญชีมอบรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์นะถ้าไม่เชื่อโลกอาคิรออย่างเดียว อ่านกุรานยังไงยังไงก็ไม่เข้าใจอัลลอฮฺจะปิดหัวใจคนที่อ่านกุรานนะครับอ่าดูกุรานว่าอิจะกอรอตัลคุรานและเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดอ่านอัลกุรอานถ้าว่าอ่านกุรานอธิบายอย่างนี้อ่านกุรานมายถึงนําเอาความรู้จากคุรานเนี่ยไปสอนไปตัมลีกไปด่วะคือเครื่องมือ ของการเผยแพร่伊斯兰เนี่ยคือต้องเอามาจากอัลกรุรอานเมื่อท่านต้องการจะเผยแพร่伊斯兰นะต้องการจะพูดเรื่องอิสลามให้ลูกฟังเนี่ยหรือให้พี่น้องเราฟังนั้นอย่าลืมกรุรอานพยายามนำเอกากุรอานเนี่ยไปอธิบายนะที่อัลลอฮ์สัง่งเมื่อท่านมุฮัมมัดอ่านอัลกรุรอานแก่พวกปฏิเสธนะจะอ่านาานาะใบหน้าเราได้ ย้ปว่าเราได้ทําเราได้กลางกลางอะไรใบนักกบนลล่นก็ว่าใบนั่ละนีนลายูมินูน่นเราได้กลางม่านที่ซ่อนไวเรามีม่านอยู่มองไม่เห็นนะม่านที่อัลลอฮ์กั้นเอาไว้มันมองไม่เห็นระหว่างใครครับระหว่างท่านและผู้ไม่ศรัทธาในปรโรโณคนที่ไม่อีมานต่ออัลลอฮ นะครับกับตัวท่านนาบีเนี่ยคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยไม่สามารถเข้าใจอักลกุรอานได้และไม่สามารถมองเห็นท่านนาบีได้เรื่องเป็นอย่างนี้ตับซิดอธิบายอย่างนี้ท่านอัสมะบิ hu, นตอับบีบากโรดิยัลลอฮนน้องสาวท่านยิงอิชชาชื่ออัสมานะ นี่อายุยาวมากอัลมาเนี่ยอายุยาวนะอัลมาเป็นน้องสาวท่านหญิงไอชาที่อายุยาวเนี่ยเพราะว่าฉีกผ้าเนี่ยผ้าคลุมศีรษะของนางเนี่ยฉีกอเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาผ้าส่วนหนึ่งเนี่ยห่ออาหารพ่อมอบให้ท่านนาบีกับท่านอบูบักเป็นพ่อตัวเองเ่ยวันจะ อ, อ, อุปยศจากนครมะกกะไปมาดินาเนี่ยเอาห่ออาหารท่านบริจาค เสียสละในคุณธางมกับอลลอ์และอัลล์ให้ในอุลามะอธิบายว่าอายุยาวรอยปีฟันไม่หักสักสิ่ตาเนี่ยแกวเลยนี่บนบุญญาให้เห็นอายุรอดเท่าไหร่อัลลอ์อายุรอดเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยเท่าอัลลอ์ให้ให้ให้ให้ให้ใ ห, ใหน้นี้ท่านอัสมาเล่าบอกว่าเมื่ออัลลอ์ได้ประทานอัลกูอ่านอายานี ตับบายาดาอบีละฮะบวอูัตับความพินาศสองมือของอบูละฮับได้พินาศก็พินาศแล้วทําอบูละฮับประทัานนาบีเป็นอะไรกันเป็นเป็นลุงเป็นวอกเป็นลุงนบีใช่ไหมแต่ว่าเป็นศัตรูของนบีศัตรูของนบีเนี่ยมึงศัตรูของใครของอัลลอฮฺสุบฮานาอูอัตตาละสังเกตนะคนที่แอนตี้เนี่ย อาติพี่น้องเราเนี่ยแหละเอาวันนี้คนที่มีศาสนาเนี่ยคนที่เล่นงา น, านงกับญาติพี่น้องกันทั้งนั้นแหละใช่หรือไม่ใช่พี่น้องกันโว้าบ้างเตะบ้างจูบ้างอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันนี่แหละด่ากันเองเอ็งเอาศาสนาเยอะเกินไปลูกเอ็งจะกินอะไรนี่นี่นั่นต้องทิ้งศาสนาเยอะๆทีนี้เมื่ออาญาณนี้ถูกถูกถูกประทานลงมาอบูละฮะเพิ่งรู้ว่าเขานี่เป็นศัตรูของข้ารอดอ่ะ แล้วก็พายาอบูละฮับเหมือนกันเมื่อถูกประทานอายะอันกุรอาน ล, ลงมาเพิ่งรู้ว่าตัวเองจะเป็นศัตรูของอัลลอฮ์น่ะเราเป็นไงพายาอบูละฮับเนี่ยชื่ออะไรรูกไหมชื่ออุมมูจามีลจามีลแปลว่าบิวตี้ฟูลแปลว่าสวยอุมแปลว่าแม่ครองความสวยคนศัตรูของ อ, อัลลอฮ์เนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสวยนะ่ะแถมยังรวยอีกนะเอาวันนี้ก็เหมือนกันนางงามจากวานที่แก้ผ้าเดินนะ่ะ มันก็สวยอ่ะอัลลอฮฺอักรบัดเราก็เคริ่อเห็นว่ามองอ่อนนานห้ามดูลีลาเ้าห้ามไม่ให้พูดเขาให้มองข้างเดียวแล้วก็ปิดตาใช่ไหมแล้วก็กลมเอาละท่านผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออุ ม, มุญยาเม้นเนี่ยนะเป็นภรยาของอบูแล้วครับเนี่ยถืออาวุธมาถือของแข็งมาพอมาเสร็จแล้วกับท่านอบูบักเนี่ย กับท่านนาบีเนี่ยนั่งกันอยู่สองคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยญาติพี่น้องตัวเองอะ่ะเดินมาอยู่ท่านอบูบักบอกว่านาบีท่านออกไปท่างๆดีกว่าถ้ามันถืออาวุธมาเดี๋ยวมาเจอเราไม่แน่นะเจอท่านเนี่ยบางทีมันเล่นงานท่านนะนบีบอกว่าอ nah ินนาฮารันตารอนีนบีพูดนะนางถึงจะเดินถืออาวุธมาเนี่ย นางไม่สามารถมองเห็นฉันอาญานี้ครับอาญานี้อธิบายว่าใครจะมาเล่นงานนาบีเป็นศัตรูของนบีนี่นะถ้ามาใกล้นบีแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้เขามองเห็นท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลเลยบรสัลลัมนบีก็อ่านคุรานเลยพอท่านอบูบักวัดท่านหนีไปไปห่างๆเลยนี่นี่เนี่ยญาติท่านน่ะ อุม um ูญามีนเดินมาแล้วที่มือมีอาวุธนะเดี๋ยวไม่อเล่นงานท่านน่ะท่านออกไปเลยออกไปเลยนบีว่าอินน่ฮันตันตารอนีไม่มีทางเห็นฉันแน่ๆนบีก็อ่านกูอ่านยังไงว่อิจะกะร์จัลคุรานะจัลนาเบยนักว่าเบยนัลลัฎินาลาอุมินุนับิลอาคราติฮิจามมัสตูร แปลว่าอะไรนะเมื่อมุฮัมมัดอ่านอัลกุรอานแก่พวกปฏิเสธเราได้กางม่านที่ซ่อนไว้ที่มองไม่เห็นกั้นระหว่างท่านและบรรดาผู้ไม่ศรัทธาในปรโลโ อ, ลโอล์ไปแล้วครับเป็นอะไรนะเิจาบันมัสตูรเป็นม่านที่กัน้นเอาไว้มองไม่เห็นตกลงว่าอุมมุจามินเนี่ยเดินมัสตูรมัสตูรแต่ว่า กันหายาแปลว่ากันกานมัสตูดแปลวาา่าม่านม่านเป็นม่านกันเอาไว้ม่านที่มองไม่เห็นด้วยสายตาน่ะเห็นไหมเนี่ยความยิ่งใหญ่ของ <Allah Akbar. S 1> อัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบาร์อัสลีดเป็นไงครับพออุมูญามีนเดินมาเนี่ยก็ไม่เห็นนบีจริงจริงอะ นบีนั่งอยู่ตรงนี้นางก็มายืนยืนคงจะดา่าด่าน บ, บดามมีด่ามมัดดาอบูบกกทตัยัง้นยังงี้ยังี้ยังงงั้ น, อ, น, อ, น, อ, น, นอบูบกนกนั่งเฉยๆมาละวรบบิฮัดัลบาตมาฮ aja ท่านอับูบกบอกว่าน บ, บีเนี่ยไม่เคยพูดตาหนิท่านนะมาถึงก็มาด่าดาดา่ดาดาดาดดท่านอับูบกว่าดาน บ, บีทาไมน บ, บีไม่เคยตาหนิท่านบอกพวกเอ็งะตหนิฉัน อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นกุรานายานีใครจะมาทำร้ายนบีจะมาว่านบีดานบีอัลลอฮ์ปกป้องไม่ให้ศัตรูนั้นเห็นท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอะลัยฮุบะสัลลัมอัลลอฮ์ก็การที่น้องไล่เอ้านี่คือคำยืนยันหรือต้องการจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่ไม่เชื่อโลกอาคีร์อ่านคุรานยังไงยังไงก็ไม่เข้าใจคุราน อไม่เข้าใจครับยากเข้าใจยากมากเลยนะครับเพราะไรนะเพราะอะนะาะกุรอานนั้นมีอะไรนะมันมีเคล็ดลับของอัลกุรอานในอัลกุรอานมีฮิกมัชมีอะไรวิทยาปัญญาฉะนั้นคนที่ไม่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ปั๊บอ่านกุรอานไม่เข้าใจยิ่งอ่านยิ่งอักคติยิ่งอ่านยิ่งอักคติยิ่งอ่านยิ่งอักคติต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์อักบะดีอ้น สังเกตนะดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้นะแย่ขึ้นนะดอกเบี้ยเนะ่ะเทียหูดีประกาศว่าต่อเอาดอกเบี้ยต้องกินดอกเบี้ยต้องอยู่กับดอกเบี้ยแล้วเป็นไงมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงประเทศที่มันพังพั ง, พ, งพังอยู่วันนี้เพราะดอกเบี้ยทั้งหมด น, ะนี่ถ้าเดินตามบนอัลกุรอานนะอัลลอฮฺอัลกบันโลกไปนี้หน้าอยู่จะตายไปนะอะวันนี้มุสลิมมากเหมือนกันผู้หญิงที่เดินออกนอกบ้านไปคุมรียาแล้วเป็นไงอะ่ะ ถูกคมคืนสารพัดใช่ไหมพี่น้องลองคิดดูสิคนที่มีเอาอิสลามมาํำกับชีวิตนวันนี้เอาล่อยให้เห็นอะไรบ้างค่อยๆเห็นทีละน้อยทีละน้อยละน้อยนะครับอต่อมาอายาสุดท้ายนะครับพี่น้องว่าจารนาอาลาปูลูบิหิมอัจินนัตันอิยฟกฮู وفي อาซาเนหิมวะโพร وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولا ول على أدبارهم نفورا เรามายถึง Allah และเราได้ทำา l a k u l u h i m ฝาปิดหัวใจอะกินน่าแปลว่าฝาปิดเราได้ทาฝาปิดหัวใจของพวกเขาอระเจ้าแสดงหัวใจก็มีฝานะ เปิดได้ปิดได้เข้าใจก็ไม่เข้าใจหรือแปลว่าเราได้วางม่านไว้บนหัวใจของพวกเขามีฝาปิดหรือมีม่านก้านไว้ได้ทั้งสองนะครับอลัลลอฮฺได้มีเอาม่านมาการาไว้รือมีฝาปิดท่นหัวใจของคนทุกคนนั้นมีฝาเนะี่ยและหัวใจของคนทุกคนมีม่านนะ ถ้าอัลลอ์ไม่เปิดม่านนะไม่มีโอกาสได้รับอิสลามฉะนั้นเรามีหน้าที่สอนแต่มีไม่มีหน้าที่บังคับให้ใครรับอิสลามมีสอนก็สอนไปสอนไปสอนด้วยวิทยาปัญญาสอนด้วยฮิกมาสอนด้วยเหตุผลสอนด้วยนำเอาประวัติเก่าๆ เ, เ, เนี่ยของคนรุ่นก่อนๆมาอธิบาย สอนนั่นนำอมามณ์ d e s i ของนบีมาสอนเนี่ยอิชสลามทาให้คนเข้าใจอัลลอฮ์ก็จะเปิดหัวใจฉะนั้นเวลาเรียนาศาสนาต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆอ่านคุรานต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้คุมหัวใจของเราอีกขดิษหนึ่งนบีสอนอย่างนี้หัวใจของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยดูแลอย่างนี้เลยเนี่ยเหมือนกับอะไรเมือคลิกอะไรนะั้นในคอมพิวเตอร์นี่ยอัลลอฮ์เหมือนกัน อัลล์จะเปลี่ยนแปลงหัวใจใครนี่นะอัลลอ์ได้บมดเลอย่างนี้เลยอยู่ในปลายนี่มือของอัลลอฮ์นี่แหละปลายฝังอัดเลยอัลลอฮ์รัตนั้นอัลลอฮ์มีมากที่หัวใจของคนทุกคนจะมีฝาปิดหรือเปิดจะนั้นจะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้อยู่ที่อัลลอ์สุภานอูบัตอัลล์อัลลอ์จะเปิดถ้าเราเปิดก่อนนะต้องเปิดตัวเองก่อน ไอ้ยากรูเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าใจอัลกุรอานเห็นไหมพี่น้องแค่ด้านอ่านกุรอานนี่ไม่ใช่เข้าใจกันทุกคนหรอกนะอลัลลอฮ์เปิดหัวใจบางคนให้เข้าใจอัลกุรอานวาฟีอะลาเนหิมวากรอและในหูของพวกเขานั้นวากรอไปวันนวดบางท่านหนวดนวดนวดมีของหนักๆนักกั้นอยู่หนวด หูหนวกหูหนวกไม่ได้ยินอ่าวกรอพราะอะไรครับเพราะไม่อีมานต่อโลกอาคิอร้อยอย่างเดียวเนี่ยทาให้ใจบอดทําให้หูหนวกเพราะไม่เข้าใจพวกนานอ่านหนังสือเรียบเรีอ่านไปเถอะแต่อ่นานขุงอ่านของฉันเนี่ยต้องมีอีมานต่ออัลลอฮ์และอิมานต่อโลกอาคิอร้อยมากํากับชีวิตฉันถ้าไม่อีมานต่ออาคิอร้อยนะจบนะ อังกอานเพอยงแค่นันนะครับว่าิดาจาการตารับบากาฟิลคุรานีวะเดะและเมื่อท่านเอ่ยจาการตาเนี่ยเมื่อท่านเอ่ยถึงหรือกล่าวถึงรับบากาพระผู ع, ้อภิบาลของท่านฟิลคุรานในอในอัลคุรานว่าอัลลอฮ์วะเดะฮูอัลลอห์ ه, มีองค์เดียว อ่าเอาล้อบอกกับ น, นบีนะมุฮัมมัดเอ๋ยเท่านเอาคู ร, รานเนี่ไปอ่านไปอธิบายเรื่องของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวนะจะเห็น ล, ลักษณะของคนที่ฟังาศาสนาจะหันหลังเป็นยังไงวัน ล, ลาอาละอาดูบาริฮิมพวกเขาจะหันหลังหรือว่าผินหลังของพวกเขาวัน ล, ลาอาดาอาดูบาริฮิมผิดหลังไม่ฟังหนูฟูรอแล้วก็เตลิดหนี ยังชิงชังตเตลิด น, นีไปตัวลงว่าการพูดศาสนานั้นหลายคนไม่ยอมไม่ยอมรับพอพูดศาสนาส่วนให ญ, ญ่จะพูดเรื่องอัลลอฮ์องเดียวก่อนใช่ไหมบายานเนี่ยบายานต้องมายาเรื่องอัลลอ์กอนเลยบาทีชั่วโมงหนึงก็ไม่จบสองชั่วโมงก็ไม่จบอัลลอ์นั้นอัลลอฮ์อย่างนี้อัลลอฮ์แ บ, บคนฟังมเหมือนอะไรวาคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์อยู่แล้วเนี่ยนะ ใจมันแอนตี้อัคติอัลลสุบฮานาบูวะตาอัลอนี่อัลลอฮเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะทีนี้อัลลอฮ์ก็การาะก็คอกุรอานต้องการจะเล่าว่าอายะสุดท้ายเนี่ยอายะห์วัสุดท้ายเนี่ยวัลลาออัลอัดบาริฮิมูฟูรอคนที่เอยถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะต้องการอธิบายว่าัยตอนเนี่ยเวลาท่านพี่น้องต้องการจะไล่ไซคอนเนี่ยให้เอยอัลลอฮซะ วิธีไล่ชายตอนไม่มีอะไรดีเท่ากับเออยหรือพูดเรื่องของอัลลอฮฺว่อิดะจักัตตารบบกัฟิลกุรอานและเมื่อท่านเออยถึงอัลลอหรือเออยถึงพระผู้อภิบาลของท่านควรที่จะอ่านอัลกุรอานดีที่สุดเพราะอ่านอัลกุรอานจะเป็นไงอะไรหนีครับ ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวหนีใช่ตอนก็หนีด้วยใช่หรือไม่ใช่ฉะนั้นเวลาจะไล่ผีไล่ใช่ตอนออกจากบ้านทําไงอ่านกูรอานนิ่งอายานี้ตรงกันจะสอนฉะนั้นอ่านกู่อ่านที่บ้านอัลลอฮ์นบีสั่งมาอ่านคู่อ่านสุราะบากราะดีที่สุดอ่านทางทางทางสุราะเนี่ย ถ้าให้ภรรยาอา่านวันนั้นมันต้องกินข้าวนะมันก็อ่านหลังนมาซุโบสักครึ่งสักครึ่งชั่วโมงสักสองหน้าหลังน้ำมาโุฮิตสักสองหน้าหลังมารีบหลังอาซาติชาสักสองหน้าแทนการดูละครใช่ไหมน่ะอังกุษอ่านมาอ่านอะไรนีใช่ตอนนี้กูอานอายาหนิงอายาที่สี่ซีโฟกตูโ อ, อิสโระใช่ไหมวันลาว อาเ a d b a บ i h i ห h มหันหลังผิดหลังนี้ระเดิดหมดเลยแค่นั้นอาจารย์เนี่ยก็เป็นการไล่ใส่ต่อนั้นคนที่อาจารย์เนี่ยมหมัตเราอาจารย์วัน5ครั้งอะ่ะรอบ่รอรอก็อะไรนีใช่ต่อ น, นี้แล้วนบิอธิบายนี่นะตกแตกด้วยับตกแตกพออาจาจมกลับมาอีกเข้านาสุเราอีกมายืมายูต่ยตรงที่ที่เขายืน ม, ามาน่ะ ถ้ายืนห่างกันเป็นคืบนะมันอยู่หลายตัวเลยนะท่านถ้าให้ราช่ชะต้องก็นำมากดให้เท้าเนี่ยชิดกันจะอีกคนหนึ่งอะ่ะอัลลอฮฺนี่นบีสอนทั้งหมดเพราะนบีเห็นชะตอนอัลลอฮให้เห็นมาอธิบายให้พวกเราฟังพวกเราก็เหลือเกินผมเคยไปนำมาดูสุราหนึ่งผมก็ขยับไปเขากขยับมาทำไมร้อนอัลลอฮอย่างนี้เป็นต้น เ, เอา ตัลองสรุปง่ายๆก็ค si ือฟอินนัชไซต์ตอน่ะแค่ย il ินไซต้อนนั ha, ani, ้นนะมันจะหนีเมื่อได้ยินเสียงอ่านอัลกุรอานหรือว่านูดิยาบิลอาจารหรือว่าอาจารถูกประกาศขึ้นมาหรือรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานอัลลอฮฺอัลฮมดุลิลลาฮฺลาิลละอิลลอฮอัลลอฮอัลกบะดลาฮละวะลาิลลาห้าหรายการนี้พูดบ่อยๆออกมาจะลมฟีปากของเรานั้นชซตอนหนี ถ้าชายตอนหนีใครมาอยู่แทนอ่าใครมาอยู่แทนมาลาอิกามาอยู่แทนจะนั้นอยู่ใกล้กับมาลาอิกากับอยู่ใกล้กับชายตอนไหนดีกว่ากันอยู่ใกล้ามาลาอิกาดีกว่าฉะนั้นเวลาคนทะเลกกาะกันเนี่ยท่านทะเลาะกัให้มัด่าคนเดียวเราจะด่าตอบแต่นี่เรามันอดไม่ได้เนี่ยถ้าเขาด่ามาเราคงด่ากลับเป็นสิบถ้า เถียงกันนะใครเนยมาลายกาเนยชายตอนมาทำหน้าที่น บ, บีเลยสั่งอบูบากาเออเวลาเข้าดานะ่ะที่ท่านไม่ด่าตอบนะ่ะฉันเห็นมาลายกายืนดา่าแทนท่านอยู่กว่าท่านด่าเสองมาลายกาเดินออกฉันก็เลยเดินออกตามมาลายก า, านี่เป็นตน้นฉะนั้นอ่านอูอ่านรานลำลึกถึงอัลลอฮ นะครับไล่อะไรไล่ชัยตอนเนี่ยถ้ากุรอานไม่เล่าเนี่ยเราก็ น, นึกภาพไม่อกอกเอไล่ชัยตอนทำไงทำบุญเลยเอาอาเอาทำบุญก็ทำไปใ่ว่าแต่ว่าสุนันทนาบีใช่ไมไม่ใช่นี่การกุอานอายา น, นี้อายาที่ี่เนี่ยไล่ชัยตอนด้วยการอ่านอัลกุรอ า, า น, อาา น, อาานจำเลือกถึงอัลลอ์สุบฮานะฮู ว, วาตาลา Allahu Akbar Subhanaka Allahumma bihamdi Rasulillah illa illa Anta Astaghfiruka wa t a b i l a i Bissalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuh